เคยฝึกไหมเคยปฏิบัติบ้างไหมก็ทำอยู่คนระับคือจริงๆแล้วการปฏิบัติเนียคนไหนไม่เคยฝึกอะฝึกง่ายพนะอไม่คิดมากคิดมากยากนานนะคือเรามากักจะคิดว่าการเจริญสติคือการคอยจ้องเอาไว้คอยจ้องอาไวคอยบังคับคอยควบคุมคอยแก้ไขนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก สติเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วสติที่เราจงใจทำให้เกิดขึ้นจะไม่ใช่สัมมาสติจะแข็งแข็งหนักหนักแข็งแข็งแน่นๆน่นะสติอย่างนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งเครียดปวดหัวตัวร้อนนะบางคนสมองเบลอไปก็มนะีสติอย่างนั้นไม่ถูกสติที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการที่จิตของเราเนี่ยจำสภาวะธรรมได้ อย่างมันจำได้ว่าความโกรธเป็นยังไงพอความโกรธเกิดขึ้นสติจะเกิดเองสติต้องเกิดเองนะสติที่แกล้งทำให้เกิดแข็งงกระด้างกระด้างของปลอมนี้การถ้าจะมีสติไปรู้อะไรต่ออะไรนี่ต้องตามรู้ให้มันเกิดไปก่อนแล้วก็ค่อยรู้ทีหลังอย่าไปนั่งรอดูว่าเมื่อไรอะไรจะเกิดขึ้น พวกเรานักปฏิบัติเยอะเลยพอถึงเวลาปฏิบัติคิดถึงการปฏิบัติเริ่มทําใจให้คลึ้นๆทำเนี้ยขึ้นๆนะขึ้นะเสร็จเราก็นั่งจ้องจ้องลงไปเมื่อไร่อะไรจะเกิดขึ้นเราจะได้ดูอย่างนั้นไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ดักไว้ก่อนอย่างนั้นมันดักรู้แล้วไม่ใช่การตามรู้นะจิตตานุปัสสนาคือการตามรู้จิตเรารู้จิต อยู่ในปัจจุบันไม่ได้จิตจะต้องตามรู้อย่างจิตเมื่อกี้เผลอไปขณะนี้รู้ว่าเผลอขณะที่รู้ว่าเผลอเนี่ยไม่เผลอแล้วก่อนหน้านั้นเผลอแต่ตอนนี้ไม่เผลอระหว่างเผลอจะรู้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะเผลอเป็นอกุศลจะเกิดพร้อมสติไม่ได้นี่บางคนก็กลัวว่าจะดูช้าพยายามคอยจ้องเครียดมากนะ ปฏิบัติอย่านั้ไม่ถูกหรอกทาของง่ายให้ยากแล้วไม่มีใครทําได้หรอกคือพยายามไปทําให้สติเกิดตลอดเวลาสติเกิดตลอดเวลาต้องฝ่ า, ารหัสของเราเนี่ยสติเกิดขึ้นเป็นคราวๆสภาวนะาวาอะไรเคยรู้จักแล้วสติก็เกิดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราจะรู้จักแต่อารมณ์ที่แร ง, แรง อย่างความโกรธเกิดขึ้นไี่ดูง่ายความโกรธ ด, ดูง่ายแล้วพระพุทธเจ้าเลยสอนบอกว่าโทสะนะมีโทษมากแต่ละง่ายที่มันละง่ายเพราะเรารู้ได้ง่ายราคะมีโทษน้อยละยากละยากเพรรู้ยากโมหามีโทษมากละยากที่สุดเพราะรู้ยากที่สุด จิตมีโมหารู้ยากที่สุดจิตที่ไม่โมหาคือจิตที่ไม่สามารถรู้สภาวธรรมลงปัจจุบันได้ไม่สามารถรู้กายรู้ใจรู้รูป ร, รู้นามที่กําลังปรากฏได้รู้ไหมเนี่ยอย่างเนี้ยจิตมีโมหามันหลงไปมันเผลอไปมันเพลินไป น, ลไปนะลืมตัวโมหามีหลายเกรดนะโมหะที่แรงที่สุดเลยเผลอเผอไป อีกโมหะอีกอย่างหนึง่งหลงไปคิดเนี่ยรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจเมื่อไรไม่รู้กายไม่รู้ใจเมื่อนั้นมีโมหะนะยกเว้นนะยกเว้นว่าไปรู้นิพพานหรือเมื่อไรไม่รู้สภาวะธรรมตรงความเป็นจริงนั่นแหละเมื่อนั้นมีโมหะมเห็นไหมหนีไปคิดแล้วดูออกไหมใจเร า, เ, ราเสเพลไปปั๊บขณะที่เราเพลไปเราลืมตัวเราเอง ลืมกายลืมใจเมื่อไร่ลืมกายลืมใจเมื่อนั้นมีโมหะเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เจริญสตินี้เราจะเผลอตลอดทั้งวันโยมเป็นง่ายตื่นยังดูออกไหมเนี่ยง่ายๆ่ายแค่นี้ยเห็นไหถ้าเราเราไปนะจิตมันหนีไปเราลืมตัวเองเมื่อเราลืมตัวเองเรารู้กายรู้ใจไม่ได้ทำมิปัสฉนาไม่ได้ นะมิปัสฉนาต้องรู้กายต้องรู้ใจมิปัจนาไม่ใช่นั่งคิดเห็นไหมหนีไปคิดอีกแล้วดูออกไหม mm hmm. ขณะที่หนีไปคิดลองดูสิรู้อะไรรู้เรื่องที่คิดไม่รู้กายไม่รู้ใจนะหนีไปคิดแล้วรู้ไหมดูออกไหมขณะที่ไปคิดนะรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจ mm hmm. เห็นไหมหนีไปคิดอีกแล้วเห็นไหมห้ามไม่ได้นะ ถ้ามาเรียนกับหลวงพ่อหลวงพ่อจะพาให้รู้จักสภาวะเผลอไปอย่างนี้เผลอไปคิดเป็นนี้เผลอใจลอยไปเลยเป็นอย่างนี้นะไปนั่งเพ่งนั่งกําหนดนั่งควบคุมเป็นอย่างนี้ราคะโทสะโมหะเป็นอย่างนี้อะไรเพราะเราหัดรู้สภาวะแล้วเนี่ยพอสภาวะอะไรปรากฏสติจะเกิดขึ้นเองนะอย่างเวลาเราใจลอยไปเราเกิดรู้จักใจลอยแล้วพอใจลอยไปแป๊บเดียวสติจะเกิดรู้เอาเผลอไปล้วเนี่ย คิดแล้วรู้ไหมนั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวใช้ตาดูเดี๋ยวใช้หูฟังเดี๋ยวใช้ใจคิดเราสังเกตซิใช้อะไรเยอะกว่ากันเนี่ยตอนนี้ใช้อะไรเพราะเรากําลังทํางานอยู่ทางใจนะจิตไปเกิดทางใจมีหน้าที่รู้ว่ากําลังทํางานอยู่ทางใจกิเลสทั้งหมดเกิดตอนนี้นะ ความทุกข์ทางใจทั้งหมดเกิดตอนหลงนี่แหละนะถ้าเมื่อไรมีสติขึ้นมาจะไม่มีความทุกข์ทางใจมีไม่ได้ความทุกข์ทางใจเกิดพร้อมกับอกุศลเท่านั้นเองนะเกิดพร้อมกุศลไม่ได้นะเห็นไหมจิตหลงไปคิดอีกแล้วดูออกไหมเนะี่ยใช้อะไรอยู่ดูออกไหมใช้ตาใช้หูหรือใช้ใจส่วนมากใช้อะไรดูออกไหม ให้ส่วนมากใช้ใจเพราะเราใช้ตาใช้หูฟังและหนึ่งขนาดจิตเท่านั้นเองแล้วมาใช้ใจอีกเจ็ดขณะดให้เราใช้ใจเยอะใช้ตาใช้หูน้อยงั้นเวลาเราฟังธรรมะเราไม่ค่อยได้ฟังธรรมะเราชอบไปคิดนะ <c oughs> เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตนะ่ะไปอยู่ในโลกของความคิดไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงศาสนาพุทธสอนให้เรา กลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงไม่ได้ไปอยู่ในโลกของความคิดสัง เ, เกตไหมขณะที่เราอยู่ในโลกของความคิดเราไม่รู้กายไม่รู้ใจแต่เรารู้เรื่องที่คิดรู้ความคิดเมื่อรู้กายรู้ใจไม่ได้ทํำพิปสัสนาไม่ได้เนี่ศา ส, สนาพุทธจะสอนให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาหลุดออกมาจากโลกของความคิดเมื่อใดหลุดออกจากโลกของความคิดเมื่อนั้นจะรู้กายหรือรู้ใจอันใดอันหนึ่งอันเดียวด้วย ครั้งละอย่างเดียวนะไม่รู้ครั้งละสองอย่างพอเข้าใจไหมเข้าใจแต่ทายากนะมันยากตรงไหนรู้ไหมยากตรงที่คิดจะทำถ้าเมื่อไหร่ไม่คิดจะทาแต่ว่าอะไรปรากฏอยู่ตามรู้ไปเรื่อยรู้สบายๆรู้บ้างเผลอบ้างไม่เป็นไรจะไม่ให้เผลอทาไม่ได้นะบางแห่งเขาจะสอน ห้ามเผลอเวลาใจจะเผลอเนี่ยกดเท้าแรงๆชื่เท้าแรงๆห้ามเผลอถ้าอย่างนั้นก็คือสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้กุศลเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้ผิดหลักของปริยัตและปฏิบัติเลยจิตจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราเลือกไม่ได้นะมันมีจิตอยู่ดวงหนึ่งถ้าเรียนอะพี่ธรรมจะรู้มันมีมโนทวารวัชนาจิตหรือโวฒภานาจิตเป็นตัวเลือก ต่อไปนี้กุศลจะเกิดต่อไปนี้อกุศลจะเกิดเราเลือกไม่ได้หรอกนี้แต่ว่าหน้าที่ของเราคอยสังเกตคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยต่อไปจิตเราจะเกิดกุศลบ่อยขึ้นเกิดสติบ่อยขึ้นเนี่ยเห็นไหมหนีไปคิดดูออกอยางตรงเนี้ยขนาะที่หนีไปคิดดูออกไหมว่าลืมตัวเองลืมกายลืมใจเมื่อกายกับใจไม่มีทํำมิปัสนาไม่ได้ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปลงมือจเจริญวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้สึกตัวจิตต้องมีความรู้สึกตัวถึงจะรู้กายรู้ใจได้จิตที่รู้สึกตัวนั่นแหละคือจิตที่มีสัมมาสมาธิเราเคยเรียนใช่ไหมเรื่องไตรสิกขาสีนสมาธิปัญญาสมาธิไม่ใช่การนั่งหลับหูหลับตาทำใจเคลิ้มเคลิ้มเห็นโน้นเห็น น, น, น, นี้นั่นมันมิจฉาสมาธิสัมมาสมาธิคือความรู้สึกตัว จิตใจตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไม่ไหลไปเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้กายรู้ใจได้การตามรู้กายตามรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นแหละคือการเจริญปัญญาเมื่อไรเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกในใจเราจะเห็นกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราเป็นอะไรอย่างหนึ่งเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมไม่ใส่ชื่อก็ได้เป็นอะไรบางอย่างไม่ใช่เรา เราเห็นอย่างนี้ซ้ำๆในที่สุดจิตยอมรับความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราเมื่อใดเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราสักกายาทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราม่็จะขาดไปคนที่ขาดไปเขาเรียกพระโสดาบันทั้งนั้นพระโสดาบันไม่ใช่คนที่ไปบังคับใจตัวเองได้นะพระโสดาบันคือคนที่เห็นความจริงว่ากายกับใจไม่ใช่เราจะเห็นความจริงก็ต้อง เห็นลงไปในกายในใจดูลงไปว่าจริงๆเป็นเราหรือไม่เป็นอย่าไปคิดเอาจะดูกายดูใจได้ก็ต้องไม่เผลอจิตใจต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเนจิตตั้งมั่นจิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็จะรู้กายรู้ใจแล้วตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆปัญญามันเกิดมันรู้ว่าไม่ใช่เรางั้นพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องศีลสมาธิปัญญาเลขไกลสิกขาสิกขาเ็เรื่องที่ต้องเรียนเรื่องที่ต้องศึกษา ศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องสมาธิศึกษาเรื่องปัญญาสมาธิบางทีท่านเรียกว่าจิตศิกขาเรียนเรื่องจิตบางคนบอกไม่ชอบจิตจะดูแต่กายไม่ศึกษาเรื่องจิตไม่ศึกษาเรื่องจิตจะไปรู้แต่กายก็ฉึกจะเอาศีลละศึกขาแล้วก็ข้ามไปปัญญาเลยละจะรู้กายจริงรู้กายรู้จิตมันเป็นปัญญาล้วนๆเละแต่ว่า จิตที่จะไปรู้กายจิตที่จะไปรู้จิตนี้ต้องตั้งมั่นเพราะนั้นเราต้องมาเรียนว่าทำยังไงจิตจะตั้งมั่นจิตจะรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวเพราะั้นมาที่นี่เนี่ยหลวงพ่อจะสอนสิ่งแรกเลยสอนให้เรารู้สึกตัวเราต้องเรียนความรู้สึกตัวให้ได้เมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเรียกว่าเราเรียนเรื่องจิตของเราสำเร็จละถัดจากนั้นเราค่อยตามรู้กายตามรู้ใจจะเห็นกายกับใจนี่ไม่ใช่ตัวเรา ท้าเมื่อไรใจไม่ตั้งมั่นไม่เรียนเรื่องจิตสิกขาไม่เรียนเรื่องสมาสมาธิใจจะหลงคิดพอหลงคิดก็รู้กายรู้ใจไม่ได้เท่านี้เองนะเพราะงั้นต้องฝึกทํำยังไงให้รู้สึกตัววิธีทําความรู้สึกตัวมีสองวิธีนะวิธีของสมถะญาณิกกับวิปัสสนาญาณิกสมถะญาณิกคือทําฌานขึ้นมาพวกเราทําไม่ค่อยได้นะเราคนในเมืองมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งวัน ทำชาญยากแต่เราชอบทํำใช่ไห ม, ไมคิดถึงการปฏิบัติต้ตองหลับหูหลับตาไว้ก่อนลองดูสิพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปหลับตานะพระพุทธรูปนั่งสมาธิก็ลืมตาเคยเห็นพระหลับตาไม่มีแต่พระปิดตาใช่ไหมปิดตาปิดหูฟ <c oughs> ูงกลมๆเหมือนหลวงพ่อส <c oughs> มาธิไม่ได้อยู่ตอนที่นั่ง การที่ต้องอยู่ในทุก อ, อิริยาบถททจิตต้องตั้งมั่นนนี้ถ้าเราทําฌานจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วจับตัวจิตผู้รู้ขึ้นมาพระ ป, ปาท่านเรียกเรื่งจิตผู้รู้จะจับเอาจิตผู้รู้อารมณ์มาแล้วก็จะสังเกตเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปในสุดก็รู้ความจริงว่าอารมณ์ทุกอย่างเกิดแล้ดับเมื่อรู้ตรงนั้นแล้วถัดจากนั้นต้องมาดูตัวจิตผู้รู้ เห็นว่าตัวจิตผู้รู้ก็ไม่ใช่เราก็จะผ่านได้ส่วนพวกที่ทำฌานไม่ได้เขาใช้วิปแบบวิปัสสนาญาณิกใช้สติเนี่ยตามรู้ลงไปที่ใจของเราเราจะเห็นว่าจิตของเราเดี๋ยวก็หนีไปทางตาเดี๋ยวก็หนีไปทางหูเดี๋ยวหนีไปทางใจสามทางนี้หลักๆทางตาทางหูทางใจเป็นทางที่หนีหลักๆทางจมูกนานๆหนีทีทางลิ้นนานๆหนีที ถ้าเรารู้ว่าจิตของเราไหลไปหลงไปทางตาหูทางใจอะไรเนี่ยสติก็จะเกิดสติระลึกรู้ว่าไหลไปสมาธิจะเกิดขึ้นเองใจจะตั้งมั่นขึ้นมาใจ จ, มใจจะไม่หลงไปใจจะไม่ไหลไปแต่ตั้งมั่นอยู่ขณะเดียวขณะสั้นๆเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิอย่างนี้ใช้ทํำวิปัสสนาที่รู้สึกตัวขึ้นมารู้ลงที่กายกายไม่ใช่เรารู้ลงที่จิตจิตก็ไม่ใช่เรา ก่อนจะพูดเรื่องปัญญาต้องมาเรียนเรื่องจิตสิกขาทายังไงจิตจะตั้งมั่นรู้สึกตัวนะเห็นไหมโยมไม่รู้สึกตัวลวะเนี่ยอุตส่าห์นั่งสมาธิใช่ไหมแต่ไม่รู้สึกหนีหนีไปละเนี่ยเราต้องหัดสังเกตใช้สติรู้ทันเลยมันหนีหนีแป๊บรู้ทันหนีแป๊บรู้ทันเลยจิตจะตั้งขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัว ถามว่าเมื่อจิตรู้สึกตัวได้แล้วรู้กายรู้ใจได้แล้วต้องคิดเรื่องไตรักษณ์ไหมไม่ต้องคิดความคิดเป็นจินตามยาปัญญามิปัสนาที่ว่าเริ่มจากอุทยพ ย, ายาัญาาต้องเป็นภาวนาไมยาปัญญาไม่ใช่จินตาไม่ใช่คิดโครานกันเลยต้องรู้สภาวะาพอเรารู้กายเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ากายจะไม่แสดงไตรักษณถ้ารู้ใจรู้จิตไม่ต้องกลัวว่าจิตจะไม่แสดงไตรลัก อย่างเวลาฝนตกฝนตกสุกดินนะตกลงไปแล้วมีฟองฟออฟงน้ําขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ําเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่ามันจะแตกหรือไม่แตกยังไงมันก็แตกเมื่อไหรเราเห็นสภาวะจริงๆไม่ต้องไปคิดเรื่องไตรลักยังไงก็สแสดงใจรักถ้ารู้ลงในกายรู้ลงในใจยังไงก็สแสดงไตรักโดยเฉพาะการรู้ทางจิตจ ะ, สะแสดงไตรักเร็วมากเลยรู้กายเดง๋ยดูไตรลักยากนะ อย่างที่เรามานั่งคิดว่าร่างกายเราไม่เที่ยงเน่าเปื่อยเลยนี่ไม่ใช่การรู้กายจริงๆตัวรูปจริงๆ ร, รู้ยากมากเลยใจลอยรู้จักไหมเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมใจลอยก็รู้จักไหมรู้จักเ ม, มื่อไหมวันหนึ่งเ ม, ม, มื่อมากไหมลองนึกถึงสภาพวันนึงเมื่อกี่ชั่วโมงนะแต่มาไม่ถามว่าเมื่อกี่ครั้งเพราะเมื่อน้อย เหม่ไม่กี่ครั้งนะแต่หลายชั่วโมงคนเหม่์วันละครั้งเดียวนะตั้งแต่ตื่นจนหลับคิดไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยไม่เคยรู้กายรู้ใจเงินปลาดียากเลยหายากแล้วรู้สึกตัวขึ้นมาเห็นไหมเผลอไปรู้ไหมตอนที่เคลื่อนไหวลืมตัวเองหมดเลยดูออกไหมเห็นไหมไม่ยากะเรียนเรื่องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยมาเรียนว่าจะทํำมิปัสสนาต่อได้ยังไงหลงไปละรู้ไหม ถ้ารู้สึกตัวได้แล้ววิปัสสนาจึงง่ายสุดขิดเลยไม่ต้องทำอะไรนี่เคล็ดลับไม่ต้องทำอะไรเลยนะรูปกระนามจะแสดงใจรักให้ดูเองเห็นไหมเนี่ยรูปนามหายหมดแล้วแลืแต่ความคิดเนี่ยหนีไปคิดซึ่งหน้าอีกแล้วดูออกไหมใจไหลแวกออกไปนะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆรู้สบายๆอย่าจ้องนะ อย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเพ่งจ้องแล้วมันนิ่งเราไม่ต้องการฝึกให้จิตนิ่งเราต้องการฝึกให้เห็นว่ากายกใจเป็นของบังคับไม่ได้แปรปรวนเพราะฉะนั้นการไปฝึกให้มันนิ่งนี่นะคนละเรื่องเลยดูออกไหมเผลอไปลนะง่ายแค่นี้สังเกตไหมเผลอแวบรู้แวบรู้ไปเรื่อยนะฝึกอย่างนี้เห็นไหมไปและ จิตเราจะเผลอไปหกทางนะเฝือไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝือช่องหลักๆก็เฝือทางตาเฝือทางหูเฝือทางใจเฝือทางตาเป็นเพราะว่าเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเห็นคนเดินมาไปดูเขาเห็นแต่เขานะลืมตัวเองใจวิ่งไปอยู่กับเขานู่นไปฟังอย่างข้างบ้านเราคุยกันเรามีที่ผโสถอยฟัง <c oughs> นะเขาจะคุยอะไรรู้หมดเลยในขณะนั้นลืมตัวเอง ลืมว่ากําลังสนใจอยากรู้เฮ้ยผัวเมียป็นด่ากันเป็นด่าเรื่องอะไรโอ้มันมากลืมรู้ว่ามันเนี่ยหลงไปทางหูแล้วก็ลืมตัวเองหลงไปทางใจเช่นนั่งคิดคิดไปเรื่อยเรื่อยลืมความรู้สึกของตัวเองคอยรู้ความรู้สึกในใจของเราเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเยเดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นะเดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอ ก, กุศล อย่างตอนนี้รู้สึกไหมใจเบาๆใจสบายๆรู้ลงไปสบายบายรู้ว่าสบายดีว่าลำบาก <c oughs> อากูสอนให้ผลนั่นมันถึงจะลำบาก <c oughs> นี่บางคนบอกแหมลงมือปฏิบัติธรรมนั่นเครียดเลย <c oughs> ทำไมปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องดีแท้ๆเลยแล้วเกิดความทุกข์ไม่มีผลเป็นความทุกข์อย่างนั้น <c oughs> เพราะขณะนั้นจิตมีความไม่รู้ พระพุทธเจ้าสอนเลยว่าท่านไม่เห็นว่าอะไรจะมีโทษร้ายเท่ากับความเห็นผิดเราปฏิบัติด้วยความเห็นผิด่ะมันก็ทุกข์สิเครียดเลบังคับตัวเองมากเครียดถ้าบังคับมากๆเกรงไปทั้งวันเลยงทั้งวันทั้งคืนตัวแข็งแข็งใจก็แข็งแข็งนะแข็งนิ่ง mm. อย่างนั้นนะหลายหลายวันภูมิใจอีกเนะว่าเราปฏิบัติ ด, ดี โธ่ผิดมนุษย์มานาไปแล้วนะไงคุณโอ้เต่งน้อยลงยังปล่อยยังไม่หมดรู้จักไหมดูออกไหมยังปล่อยไม่หมดนะเ อ, อใครรู้ไปเดี๋ยววันหนึ่งพอปล่อยหมดจะรู้สึกว่าง่ายนิดเดียวเราไปถือเหมือนนึ่งนี้ยไปถือขวดไว้โอ้ยมันหนักจังหนักก็ไม่ปล่อยไงไม่หนักถ้าปล่อยไปไม่หนักอะ เห็นไหมมาดูใช่ไหมเสือมาดูดูแล้วก็คิดต่อรู้สึกไหมดูนิดเดียวไต่คิดต่อเนี่ยหากรู้ทันจิตไปเกิดทางตารู้จิตไปเกิดทางหูรู้จิตไปเกิดทางใจก็รู้ความจริงถ้ารู้อยู่แค่นี้ยังเห็นจิตเกิดดับเยจิตเกิดทางตาแล้วก็ดับจิตเกิดทางหูแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแล้วก็ดับเนี่ยทําสติปัฏฐานเรียบร้อยแล้วนะแค่เนี้ย ถึงบอกว่าถ้ารู้สึกตัวเป็นแล้วนะนี่ปรั ส, สนาหรือสติปัญญานง่ายมากเลยมันเกิดขึ้นเองอะ่ะแต่ต้องรู้หลักนะถ้าไม่รู้หลักก็จะไปหลงเพง่งหลงจ้องง่ายใจลอยไปแล้วรู้ไหม <c oughs> เออต้องอย่างนี้อย่างนี้เก่งเห็นไหม <c oughs> พวกไม่คิดมากอ่ะทําง่าย <c oughs> พวกคิดมากฝึกมานานเลยแข็งแข็ง <c oughs> ไปบังคับใจแตนเป็นไงมั่ง ปลอยหมดยัง่งเออดีที่รู้สึกอย่างงั้นถ้ารู้สึกว่าหมดแล้วต้องมาคุยกันนานเนี่ยเห็นของเราเองอะดีละนะดีละก ล, ลางอ่ะกลางเอา <c oughs> ถ้ารู้ว่าไม่รู้สึกตัวมันก็รู้สึกสิเออนะละวันสิบสุกนะ ของกลางปฏิบัติแล้วมันติดสุขมีความสุขเยอะแล้วก็ไปเกาะก็เพลินเพลินทั้งวันเลยนะอย่าไปเพลินูุไกลพัดดีแล้วยโยพอไล่มาทางนี้โยมรีบตัวแข็งไว้ก่อนห <c oughs> นูนาว่าไงหนูนา <c oughs> ตื่นหรื อ, อยังเช้าวันนี้ <c oughs> รู้ยังว่ายังไม่ตื่น เออดีแล้วรู้ถูกแล้ว เ, ออเนี่ยรู้ให้ถูกอะ่ะรู้ไปื อ, อดูออกไม่ล่ะเออเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อนะเบาแต่เบายังไม่หมดนะยังเบาทําอยู่ยังสงใจรักษาอยู่นะแต่ของหนูนาไม่ใช่ะลรมาอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อก็เลยเกรงขึ้นนิดนึงนะ ออกไปข้างนอกไม่เก่งแต่ชอบเผลอชอบคุยคุยเยอะไปมันสบายนะราคาเนี่ยท่านถึงสอนบอกว่าราคามีโทษน้อยแต่ละยากนะถ้าให้เราละความสุขเงี้ยเสียดายถ้าให้ละความทุกข์ง่ายอยากล ะ, ะท่านกับบอกไม่ให่อยากละสิท่านบอกให้รู้ทุกข์ท่านไม่ให้ละทุกขนะ์ นั่นอย่างนั้นก็หลงนะรูออกไหมเนี่ยแค่เนี้ยนะใคยรู้ไปได้เผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้สมพงศ์ดีแล้วสมพงศ์อย่าไปเกะกะขึ้นมาทีแรกก็ดีอยู่แล้วตอนนี้แย่แล้ว <c oughs> ทําอีกแล้วสมพงศ์เมื่อกี้ไม่ทําแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นั่งขัดสมาธิก็ได้นะนั่งให้สบาย เนี่ยนั่งอย่างนี้ก็ได้จะนั่งแบบหลวงพ่อคูณหลวงพ่อก็ไม่ว่านะธรรมะไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งอยู่ที่ใจของเรารู้สึกตัวได้